ผ่านมาคือวันที่21่ิกุมภาพันธ์เป็นวันขึ้น15ห้าค่ำเดือนสเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมาคบูชาถ้าเป็นวันขึ้นส5ห้าค่ำเดือนหก็เป็นวันวิสาขบูชาและถ้าวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน8ปด ก็เป็นวันอาสาลาบูชาวันทั้งสามวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพพุทธศาสนาและเป็นวันที่สำคัญแก่ชีวิตจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายเพราะวันสำคัญสำคัญเหล่านี้เป็นเหมือนกับป้ายบอกทางบอกทางแห่งการดำเนิน ของชีวิตที่จะนำไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความปลอดภัยไปสู่ความพ้นทุกข์ทั้งหลายเหมือนกับการเดินทางที่ต้องมีป้ายบอกทางเวลาเราจะเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไป สิ่งที่เราต้องคอยสังเกตดูก็คือป้ายบอกทางป้ายจะบอกเราว่าตรงไปจะไปถึงที่ใดเลี้ยวซ้ายจะไปถึงที่ใดเลี้ยวขวาจะไปถึงที่ใดเรารู้ว่าเราต้องการไปที่ไหนเราก็ไปตามที่ป้ายบอกไม่นานเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เรา ต้องการไปกันได้ถ้าไม่มีป้ายบอกทางเราก็จะไม่รู้ว่าจะตรงไปดีหรือเลี้ยวซ้ายดีหรือเลี้ยวขวาดีถ้าเราไปผิดทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับเดินทาง ทางที่เราต้องการจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็คือความสุขความเจริญความพ้นทุกข์ถ้าเราไม่มีป้ายบอกทางเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะการเดินทางของชีวิตเราก็ไปได้สามทางเช่นเดียวกันจะตรงไปก็ได้จะเลี้ยวซ้ายก็ได้จะเลี้ยวขวาก็ได้ คือการกระทำของเรานั้นก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันการกระทำของเรา this เป็นเหมือนกับการเดินทางเลี้ยวซ้ายก็ไปทางหนึ่งเลี้ยวขวาก็ไปทางหนึ่งตรงไปก็ทไปอีกทางหนึ่งทำดีก็ไปทางหนึ่งทำชั่วก็ไปทางหนึ่งทำไม่ดีไม่ชั่วก็ไปอีกทางหนึ่งจุดหมายปลายทางของทางทั้งสามทางนี้ก็ต่างกัน ถ้าทำดีก็ได้ไปสู่สุขคติถ้าทำเชั่วก็ไปสู่ทุกขติถ้าไม่ทำดีไม่ทำเชั่วก็ไปถึงพระนิพพานได้นี่คือทางที่เราสามารถเลือกไปกันได้แต่ทางที่จะไปถึงพระนิพพานนี้ก่อนจะไปถึงจุดที่ไม่ทำดีไม่ทำเชั่วได้นั้น ก็ต้องทำความดีให้ถึงพร้อมก่อนต้องละความชั่วทั้งหลายให้หมดไปก่อนถ้าเรายังไม่ได้ทำความดีเรายังไม่ได้ละการกระทำความชั่วเราก็จะไม่สามารถไม่ทำดีและไม่ทำชั่วได้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นที่สามารถไม่ทำดีและไม่ทำชั่วได้ เพราะท่านได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการหยุดแล้วเมื่อท่านถึงจุดหมายปลายทางแล้วท่านก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปท่านไม่ต้องเดินทางไปไหนอีกแล้วถึงที่แล้วนั่นเองการถึงที่นี้ก็หมายถึงว่าท่านได้พบกับความสุขท่านได้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วดังนั้นท่านก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้อง ทำความดีเพิ่มขึ้นไปอีกหรือละการกระทำความชั่วอีกว่าความดีก็ทำได้หมดแล้วทำได้ครบถ้วนแล้วความชั่วก็ได้ละหมดแล้วนี่คือทางสามทางของชีวิตของเราถ้าเราไม่มีวันมาคะวันวิสาขะวันอาสารหะเราก็จะไม่มีป้ายคอยบอกทางเรา เพราะว่าพอเราถึงวันมาฆะเราก็จะได้เข้าวัดกันเมื่อเราได้เข้าวัดเราก็จะได้ฟังเรื่องของวันมาฆะของวันวิสาขะของวันอาสะอาสารหะว่าเป็นอย่างไรเมื่อฟังแล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นการดำเนินของผู้ประเสริฐเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ท่านได้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนาจะไปกันเราก็จะได้รู้ว่าวิธีที่ท่านไปถึงนั้นท่านไปอย่างไร mm hmm. เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามได้ถ้าเราไม่มีวันมาฆะวันวิสาขะวันอาสาหะเราก็จะไม่ได้เข้าวัดกันเราก็จะใช้ชีวิต อยู่ตามภาษาของเราเราก็คิดว่าเราไปถูกทางแล้วแต่ทำไมเรายังไม่พ้นทุกข์สักทีทำไมเรายังไม่พบกับความสุขที่แท้จริงสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีป้ายบอกทางเราไปตามความรู้สึกของเราเราไปตามชาวบ้านเห็นชาวบ้านเขาทำอะไรเราก็ทำตามเขา แล้วเราก็ได้รับผลเหมือนกับเขาที่ได้รับคือความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความทุกข์แท้มาให้หลายเท่าแล้วชีวิตของเราก็จะวนเวียนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยตายไปแล้วเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกจะไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ประเสริฐ ที่ปลอดภัยที่ปลอดจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราไม่เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้เดินกันทางของท่านก็มีอยู่สามสามส่วนด้วยกันคือหนึ่งการละบาปทั้งปวงสองการทำกุศลหรือความดีให้ถึงพร้อมสาม การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือทางของพระพุทธเจ้าและทางของพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามถ้าเดินไปทางนี้ก็จะไปถึงถจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ไปถึงอย่างแน่นอนคือจะกลายจากปุตชน กลายเป็นพระอาหารหันต์กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้บรรลุถึงพระนิพพานสถานที่ที่ประเสริฐเต็มไปด้วยบรมบสุขคือปรมังสุขขังไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนไม่เหมือนกับความสุขของพวกเราที่มีความทุกข์แถมมาด้วยเสมอ ไม่ว่าจะได้อะไรมาเราจะได้ความสุขแล้วก็เราก็จะได้ความทุกข์ติดตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นวัตถุเข้าของต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะดีอกดีใจมีความสุขแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมีความทุกข์กับสิ่งที่เราได้มา เพราะเราจะต้องคอยดูแลรักษาเราต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลแล้วในที่สุดเมื่อสิ่งนั้นจากเราไปหรือเราจากสิ่งนั้นไปเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นความสุขนี้ได้เพียงนิดนิดเดียวเท่านั้นเองได้ตอนที่ได้มาใหม่ เช่นเวลาแต่งงานกันใหม่ๆก็มีความสุขหลังจากนั้นไปไม่กี่วันก็เริ่มมีความทุกข์มีความกังวลมีความห่วงใยตามมาไม่ว่าจะได้อะไรมาก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นเหมือนกับตอนที่เราได้มาใหม่ๆ เวลาได้อะไรมาแล้วไม่นานมันก็จะเปลี่ยนจากใหม่ก็จะกลายเป็นของเก่าไปจากดีก็กลายเป็นของไม่ดีไปใช้ไปแล้วสักระยะหนึ่งมันก็เสียซื้อรถยนต์มาใหม่ๆก็ดีเป็นหมดแต่พอใช้ไปเรื่อยๆไม่นานเดี๋ยวไอ้นั่นเกษียไอ้นี่เกียดีไม่ดีขับรถไปแล้วไปตายกลางทางก็มี ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือความสุขของพวกเราที่มีความทุกข์ตามมาด้วยแต่ความสุขของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะความสุขของท่านไม่ได้เกิดจากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเกิดจากการได้คนนั้นคนนี้มา แต่เกิดจากการให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปให้คนนั้นคนนี้ไปเช่นพระพุทธเจ้าท่านมีสมบัติเป็นถึงพระราชโอรสมีปราสาทถึงสามฤดูมีเงินทองมากมายมีบริษัทบริวารมากมายมีภรรยามีลูกแต่ท่านก็ให้หท่านสละหมดท่านไม่เอา ท่านขอปลีกตัวไปอยู่คนเดียวไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปละบาปไปทำความดีไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จนในที่สุดท่านก็ได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เป็นความสุขที่เกิดจากความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ จิตใจเมื่อปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วจิตใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขมีความอิ่มพอไปตลอดไม่มีวันเสื่อมคลายเหตุที่พวกเรายังมีความหิวมีความอยากมีความต้องการอยู่ก็เพราะเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นี่เอง ไม่ว่าเราจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเราก็ยังไม่อิ่มไม่พอยังอยากจะได้ไปเรื่อยๆนี่คือความโลภแต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นั้นท่านเอาชนะความโลภได้ท่านชำระความโลภให้ออกไปจากใจได้เพราะท่านมีปัญญาเพราะว่าความโลภนี้เกิดจากความหลง ความขาดปัญญานั่นเองหลงคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาได้คนนั้นมาได้คนนี้มาแล้วจะมีความสุขจะมีความอิ่มมีความพอแต่หามาได้เท่าไรมากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอสักทีเพราะธรรมชาติของใจนี้ไม่ได้อิ่มไม่ได้พอด้วยสิ่งของต่าง ด้วยบุคคลต่างๆแต่อิ่มและสุขและพอด้วยความสงบเท่านั้นถ้าจิตสงบเมื่อไหรจิตก็จะมีความอิ่มความพอเมื่อนั้นจิตจะสงบก็ต้องสงบได้ด้วยการทำบังคับจิตใจให้ไม่ไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงให้อยู่เฉยๆ <c oughs> วิธีที่จะทำให้ จิตไม่คิดไม่ปรุงเรียกว่าการทำสมาธิการมีสติเฝ้าดูจิตใจให้คิดอยู่แต่เรื่องเดียว mm. เช่นให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวถ้าคิดแต่คำว่าพุโทโธไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะหยุดคิดเพราะพุโทโธนี้เป็นตัวหยุดจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องต่างๆ่างนั่นเอง ถ้าไม่ควบคุมให้จิตคิดอยู่กับคาว่าพุโทโธปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความโลภตามมาแล้วเมื่อเกิดความโลภ ก, ก็ต้องไปหาไปแสวงไปเอาสิ่งที่ต้องการมาถ้าเกิดมีอุปสรรคก็จะเกิดความโกรธเวลาใครขัดขวางไม่ให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการ เราก็จะเกิดความโกรธเมื่อเกิดความโกรธเราก็จะไปทำบาปทำกรรมต่อก็จะกลายเป็นเวนีนเป็นกรรมต่อไปชุดลากให้เราต้องไปตกนรกฉุดลากให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราด้วยสติบังคับให้อยู่กับพุทโธพุทโธได้ ไม่นานจิตก็จะสงบนิ่งพอจิตสงบนิ่งแล้วทีนี้ก็จะไม่หิวไม่อยากอยู่เฉยๆก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าตอนที่ได้สิ่งต่างๆมาเสียอีกเมื่อเป็นดังนั้นก็จะไม่มีความต้องการอะไรเพราะว่ามีความสุขดีอยู่แล้วเป็นความสุขที่ดีกว่า สิ่งต่างๆที่ได้มาและไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยก็จะทำให้อยู่อย่างปกติได้คือไม่ต้องทำบาปไม่ต้องทำบุญก็ได้เพราะมีความสุขแล้วเพียงแต่ว่าความสุขของสมาธินี้ไม่ไม่ถาวรไม่ยาวนาน อยู่ได้สงบได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะถอตอตอกมาแล้วก็จะเริ่มคิดพอเริ่มคิดก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีกแล้วก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาไม่ได้ตามความอยากแล้วก็จะไปทำบาปทากรรมอีกดังนั้นเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวสกัด เป็นตัวหยุดใจเวลาใจคิดอยากจะได้อะไรก็ต้องสอนว่าสิ่งที่อยากจะได้มานี้มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้เราต้องเสียอกเสียใจทำให้เราต้องกังวลใจทำให้เราต้องทุกข์ใจมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเรามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ มันเป็นเหมือนงูพิษมันไม่ใช่เป็นปลาไหลถ้าปลาไหลนี้เราจับมันได้จับเอามาต้มเอามาแกงได้แต่ถ้าเราไปจับงูพิษเดี๋ยวโดนมันกลับตายได้ถ้าเราจับไม่เป็นดังนั้นถ้าเราเห็นถ้าใจเราอยากจะได้อะไรถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง เพราะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปเมื่อมันก็ต้องจากเราไปถ้าเราเห็นทั้งสามส่วนนี้คือเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าไม่อยู่กับเราไปตลอดเราก็จะไม่อยากได้ขึ้นมาเราก็จะหยุดความอยากได้เมื่อเราหยุดความอยากได้ใจเราก็สงบ ก็มีความสุขนี่แหละคือการให้ความสุขกับตนเองด้วยการไม่อยากไม่ต้องการความอยากความต้องการนี้ไม่ได้ให้ความสุขแต่กลับสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นเพราะพวกเรานี้ตั้งแต่เกิดมาเราก็อยากตั้งแต่วันเกิดมาแล้วแลวเราก็ได้อะไรมามากมายกายกองแล้วแต่ผลเป็นอย่างไรบ้าง ผลของเราก็ยังมีความทุกข์มีความกังวลมีความห่วงใยมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินกันนั่นเองเราเดินไปตามทางของความหลงความหลงจะหลอกให้เราไปหาเงินทองหายศหาตําแหน่งหา บริษัทบริวารหาคําสรรเสริญเยินยอหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่เรามีความมืดบอดคือความหลงหลอกเราทําให้เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ทาให้เรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทำให้เรามองไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้นที่เห็นความจริงอันนี้และเห็นด้วยว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือความสุขภายในใจของเราสิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงก็คือความสุขภายในใจสิ่งที่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริง ก็คือความสุขภายในใจนี้เองที่เกิดจากความสงบความสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการทำทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเช่นการทำบุญให้ทานการมีความกตัญญูกะตะเวทีการเสียสละการมีสัมมาคารวะการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหล่านี้เรียกว่าเป็นความดี เมื่อมีความดีแล้วจิตก็จะสงบไปในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องละเหตุที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านกระสับกระสายวุ่นวายก็คือการทำบาปทั้งหลายก็ต้องละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดงดเท็จโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาและอบายามุขทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจเรากระสับกระสายกวนกวายวุ่นวายไม่มีความสงบถ้าเราละได้จิตของเราก็จะสงบลงไปอีกแต่ยังสงบไม่เต็มที่เพราะในใจยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ต้องทําจิตให้หยุดอยากด้วยการทําสมาธิ ด้วยการเจริญสติอยู่เสมอจิตจะสงบได้นี้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงดึกไว้ถ้าไม่มีสติต่อให้พุทโธอย่างไรก็จะไม่สงบเพราะพุทโธได้เพียงสองสามนาทีจิตก็จะไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็จะไม่อยู่กับพุทโธถ้าไม่อยู่กับพุทโธก็ไม่มีทางที่จะสงบได้ดังนั้นต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ต้องดึงจิตให้อยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่เรากําลังทําอะไร <cin q> ก็ให้คิดอยู่กับเรื่องนั้นกําล <lat amin> ังรับประทานก็ให้รู้ว่ากําลังรับประทานกําลังเคี้ยวก็รู้ว่ากําลังเคี้ยวกําลังกลืนก็รู้ว่ากําลังกลืนให้รู้อยู่ในขณะนี้เท่านั้นอย่าไปรู้กับเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่น อย่างนี้ถึงจะมีสติเพราว่าเราดึงใจให้อยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้กำลังพูดอะไรก็ให้อยู่ให้มีสติอยู่กับการพูดกำลังคิดอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการคิดกำลังทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการทำอย่างนี้เรียกว่ามีสติถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะดึงใจให้อยู่กับอะไรก็ได้ ดึงให้อยู่กับพุทโธก็ได้ดึงให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ดึงให้อยู่กับการเดินก็ได้เช่นเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเดินอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปรู้เรื่องอื่นให้รู้เรื่องเดินะเดินก้าวซ้ายก็รู้ว่าก้าวซ้ายก้าวขวาก็ก้าวขวาอย่างนี้เรียกว่าการเจริญสติถ้าเราเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยเวลาที่เราจะไปนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนี้จะสงบง่ายและเร็วพุโทโธพุโทโธไปไม่ถึงห้านาทีจิตก็จะรวมลวมเข้าสู่ความสงบได้นี่คือปัจจัยสำคัญในการทำสมาธิก็คือสติต้องมีสติสตินี้ต้องเจริญอยู่เสมอไม่ใช่แต่เฉพาะเวลา ที่นั่งสมาธิเท่านั้นแต่ต้องเจริญทุกเวลานาทีที่เราเตืน่นเวลาเราเตื่นแล้วเราต้องตั้งสติทันทีต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนเรากำลังจะทำอะไรหรือกำลังทำอะไรให้รู้อยู่แค่นี้อย่าไปรู้เรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องอนาคต ที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปสนใจถ้าสนใจแล้วใจจะลอยไปใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจจะไม่มีสติพอเวลาจะให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ได้เพียงสองสามคำก็ไปแล้วไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอย่างนี้นั่งไปจนวันตายก็จะไม่สงบเมื่อไม่สงบก็จะไม่ได้เห็นความสุขที่แท้จริง ก็จะมีความโลภความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแทนก็เลยจะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงชีวิตก็จะต้องวนเวียนไปกับการหาความสุขแบบโลกโลกไปเรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จกักอิ่มไม่รู้จักพอหาไปจนมันตายกลับมาเกิดใหม่ก็หาใหม่เราทําอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้ว พระพุทธเจ้าและพระ อ, อราหันต์ทั้งหลายก็เคยทําอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วแต่ท่านได้สร้างสติขึ้นมาท่านได้ปฏิบัติจนในที่สุดท่านสามารถทําจิตของท่านให้สงบได้ตลอดเวลาจ น, นไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกแล้วท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลาท่านไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ไม่ต้องไปทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายกับการพัดพรากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะท่านมีสติเป็นจุดเริ่มต้นท่านสามารถควบคุมจิตใจของท่านให้อยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ไม่ส่งให้จิตไปในอดีตรหรือไปในอนาคตสามารถบังคับจิตให้สงบนิ่งได้ สามารถตัดความหลงต่างๆได้เพราะมีปัญญาเพราะเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆที่ความหลงหลอกไปให้อยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญสุขที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายไม่ได้เป็นความสุขเลยไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราท่านมีปัญญา ท่านถึงสกัดกั้นความอยากความโลภต่างๆได้เมื่อสกัดได้จิตของท่านก็สงบเมื่อสงบท่านก็พบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนพบกับความสุขที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของของเรานี่แหละถึงทําให้ท่านไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วท่านก็นําเอามาสั่งสอนพวกเรา จนปรากฏเป็นวันมาฆะเป็นวันวิสาขะเป็นวันอาสาฬหบูชาเพื่อให้พวกเราได้ล้ำลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญต่างๆเหล่านี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องดำเนินไปในทิศา ท, ทางใดนั่นเองนี่แลคือความหมายของวันของวันสำคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนา มีไว้เป็นเหมือนป้ายบอกทางถ้าเราไม่มีป้ายบอกทางเราจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปได้ยกเว้นว่าเรามีบุญบา ร, รมีมากสามารถค้นหาไปค้นหาทางได้ด้วยตนเองเช่นพระพุทธเจ้าของเรามีเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องอาศัยป้ายบอกทางท่านแต่ท่านต้องเหนื่อยหน่อยท่านต้องทดลองหลายทางด้วยกัน ไปทางซ้ายแล้วเมื่อไปไม่ถึงที่ก็ต้องเลี้ยวกับย้อนกลับมาไปทางขวาไปทางขวาก็ยังไม่ถึงที่ก็ต้องตรงไปต้องทดลองหลายหลายทางด้วยกันจนในที่สุดก็ไปถึงได้แต่สําหรับพวกเราแล้วลอบลองได้ว่าไม่มีทางที่จะไปได้ด้วยตัวเราของเราเองตามนาพังถ้าไม่มีป้ายบอกทางไม่มีผู้รู้คอยสอนคอยชี้บอก เราจะไม่มีทางที่จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองเลยดังนั้นจึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาเกิดในชาตินี้และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะนาพาเราให้ไปสู่พระนิพพานได้นำพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่มีสิ่งอื่นในโลกนี้ที่จะพาเราไปได้มีพระพุทธศาสนานี้ เท่านั้นจึงขอให้เรามีความแน่วแ น, แน่มั่นคงมีศรัทธาที่เชื่อมั่นต่อพระพุทธศาสนาและน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้ไม่หยุดในสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของความสําคัญของวันเทศกาลต่างๆเช่นวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬห บ, บูชาให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอาไปพิพจารณาและตักตวงประโยชน์ ที่พิงจะได้จากวันสำคัญสำคัญเหล่านี้ต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุสมผลบุญที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นกัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ